ที่ชื่อว่าเป็นของจะถวายสง์ได้แก่เป็นของที่เขาถวายหรือบริจาคแล้วแก่สงที่ชื่อว่าลาบได้แก่จีวรบิณทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารโดยที่สุดกระทั่งก้อนจุรณะไม้สี่ฟันหรือได้ใช้ผ้าที่ชื่อว่าน้อมไว้คือเขาเปลี่ยนวาจาว่าเราจะถวายจะกระทําภิกษูน้อมลาบนั้นไปเพื่อบุคคลต้องอบัติปารจิตตี